วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนา ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าเราเอาสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ของทุกๆคนถ้าเอามารวมกันแล้วสมบัติที่มารวมกันนี้ยังจะมีคุณค่าน้อยกว่าคุณค่าของพระพุทธศาสนา เพราะว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถทำได้นั้นไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถทำได้นั่นก็คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปให้ลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้เข้าถึงความสุขของพระนิพพานที่เป็นบร ม, มสุขที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะสามารถมอบให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ ต่อให้เรามีทรัพสมบัติเท่าของเงินทองมากกองเท่าภูเขาก็ตามให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นพระราชามหาษัตริ์ความสิ่งต่างๆที่ที่เราได้นี้จะไม่สามารถ มากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เลยทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้จะทำได้ก็เพียงแต่คอยกาจัดความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ทางใจนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถกาจัดได้นอกจากพระพุทธศาสนา ที่มีองค์ประกอบที่สามสำคัญอยู่สามองค์ด้วยกัน <c oughs> ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอ <c oughs> พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกนี้ให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีใครในโลกนี้สามารถทําได้ถ้าไม่มีพระพุทธก็ทําพระสงฆ์มาปรากฏอยู่ในโลกนี้โลกนี้จะไม่มีใครสามารถเล่นรอดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่ามหาศาล ก็คือพระ ร, รัตนาไตรรัตนาก็คืออัญญมณีอันลาําค่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเอาภาษาอะไรที่จะมาเปรียบเทียบถึงคุณค่ามหาศาลของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราจึงต้องใช้สิ่งที่ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากของโลกมาเป็นตัว ชี้บอกก็คืออัญมณีคือสิ่งสิ่งที่มีคุณค่าราคาเช่นเพชรนินจินดาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีคุณค่าราคามากก็อนนิดเดียวแต่มีคุณค่าราคาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ได้แต่ถ้าเมื่อมาเทียบเทียบกับอัญมณีคือพระรัตนตรายแล้ว ห่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินคุณค่าของพระรัตนตรัยนี้ไม่สามารถประมาณได้เนื่องจากความสามารถในการทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ครอบครองพระรัตนตรัยนี้ได้นั่นเอง ใ, ใครมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจ ใจก็จะไม่มีวันที่จะต้องเจอกับความทุกข์อีกต่อไปใจจะมีแต่ความสุขไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้กระทามากันอย่างมากมายการทุกข์การความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็จะอยู่อย่างบรมมสุข อยู่อย่างความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสลายความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยต่างจากความสุขทางโลกที่เป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไป <c oughs> ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แต่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีวันหมดมีเท่าไหร่ก็มีอยู่ตอย่างนั้นตลอดเวลาเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีวันที่จะหมดไม่มีวันจะเสือ่อมใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถึงแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปี <c oughs> แต่ใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นบรลลังก์มรรคอยู่ใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีอยู่เองแต่ท่านอยู่แบบที่ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายท่านก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับพวกเราได้เท่านั้นเองเหมือนกับพวกเราสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือกันเวลาเรามีโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถติดต่อทรง สารทุกข์สุขดิบให้แก่กันได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีมือถือเราเลิกใช้มือถือเมื่อไหร่<ม>คนที่เคยติดต่อเราผ่านทางมือถือก็จะไม่สามารถติดต่อกับเราได้อีกต่อไปเราก็ไม่สามารถติดต่อกับใครได้<ม>แต่เราก็ไม่ได้หายไปไหนคนที่ไม่ได้ใช้มือถือก็ยังอยู่ต่อไปเหมือนกับ ใจของผู้ที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดใจของผู้ท well to ี่ไม่ต้องมาเกิดมามีร่างกายของมนุษย์ก็ยังอยู่เหมือนกับตอนที่มีร่างกายของมนุษย์ต่างกันตรงที่ว่าเวลามีร่างกายของมนุษย์แล้วจะต้องมาทุกข์กับร่างกายของมนุษย์นั่นเองทุกข์กับการเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอกับ ความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีพต้องดิ้นรนต่อสู้หาหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายมาป้องกันโรคภัยจากพิษภัยต่างๆที่มีอยู่รอบตัว ม, มีภัยจากธรรมชาติเช<ม>่นน้ำท่วมไฟไห ม, ม มีภัยจากคนที่ <c oughs> ประสงค์ร้าย <c oughs> เช่นคนที่มีใจอธรมเหตโหดร้ายทารุณ <c oughs> มีภัยจากสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> ที่โหดร้ายทารุณ <c oughs> แล้วยังมีภัยในตัวของมันเองด้วย <c oughs> ก็คือความแก่ <c oughs> ร่างกายของคน <c oughs> ทุกคนเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ไม่ช้าก็เร็ว เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องเจอกับความตาย mm. ถ้าไม่มาเกิด mm. ก็จะไม่ต้องมาเจอกับภัยเหล่านี้เห mm. มือนคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ mm. ก็มีภัยต่างๆเข้ามาคุกคามได้ mm. มี call center เข้ามาหลอกเอาเงินเอาทองไปได้ mm. แต่ถ้าคนไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ mm. c ซ l l center ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหลอกเอาเงินเอทองของของคนนั้นได้ mm hmm. การมีร่างกายมันก็มีแต่ความทุกข์เหมือนกับการมีโทรศัพท์มือถือ mm hmm. ถึงแม้จะใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้บ้างก็ตามแต่ก็มีภัยต่างๆที่อาจจะเข้ามาคุกคามได้ mm hmm. การไม่มีมือถือเนี่ยปลอดภัยกว่า ไม่มีใครสามารถมาหลอกเอาเงินของเราไปได้ร่างกายไม่มีร่างกายก็เป็นความสุขเพราะว่าไม่ต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายคอยป้องกันร่างกายจากภัยต่างๆแล้วก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายแต่ผู้ที่ไม่มีร่างกายนี้ไม่ได้สูญหายไปไหน คำว่านิพพานศูนย์นี้ไม่สามารถที่จะพูดถึงได้ก็หมายถึงว่าไม่สามารถติดต่อกับใจดวงนั้นได้แล้วใจดวงนั้น <c oughs> เป็นใจที่ไม่มีร่างกายที่จะติดต่อกันได้อันนี้คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของการปฏิบัติการศึกษาของพระพุทธเจ้า เบงต้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนพวกเราใจของพุทธเจ้าก็เหมือนพวกเราเป็นใจที่ยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายระหว่างที่อยู่เป็นมนุษย์ก็จะมีการทําบุญสลับกับการทําบาปไปกันพ <Yeah. S 1> อตายไปไม่มีร่างกายใจก็ไปรับผลบุญหรือผลบาป <Yeah. S 1> แล้วแต่ว่า ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในอาบายชั้นต่างๆอาบายก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุลกายและนารกเป็นต้น แล้วหลังจากที่หมดกรรมหรือกรรมที่ส่งผลหมดกำลังลงหรือบุญที่ส่งผลหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ก็จะวนว่ายเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อ ย, อยแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นใจที่มีปัญญามีความฉลาด มีความเห็นโทษของการมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆจึงพยายามสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆที่คิดว่าจะเป็นเครื่องมือในการพาให้จิตใจได้หลุดพ้นจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนวยตายเกิดจึงได้หมนสร้างบา ร, รมีต่างๆทุกครั้งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ บางชาติก็สร้างเมตตาบารมีบางชาติก็สร้างทานบารลีบางชาติก็สร้างศีลบารมีบางชาติก็สร้างเนคขม้าบาลีบางชาติก็สร้างอุเบกขาบามีบางชาติก็สร้างอธิษฐานบารมีบางชาติก็สร้างวิริยะอสัจะบารลีบางชาติก็สร้างวิริยะบารมี บางชายก็สร้างขันติบา ร, รมีบาลมีทั้งสิบประการนี้เป็นที่มาของเรื่องของพระเจ้าสิบชาติที่เราได้ยินในนิทานชาดกนี้ เ, เป็นภพชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ได้ทรงบำเพ็ญมาที่พระพุทธเจ้าทรงมียานอย่างทราบสามารถระลึกชาติได้ระลึกถึงชาติที่เคยเป็นมาก่อนว่าได้บำเพ็ญบารามีอย่างไรบ้าง เช่นตอนที่เป็นพระเวชสันดรก็ได้บําเพ็ญบารมีด้วยการทําบําเพ็ญทานบารมีด้วยการให้ทานอย่างสุดๆใครอยากได้อะไรมีอะไรให้ได้จะให้ทันทีหรือเป็นพระมหาชนกก็สร้างวิทยะบารมีลอยคออยู่ในกลางทะเลแต่ก็ไม่ยอมจมน้ําตายใช้วิทยะบารมีความเพียรพยายามว่ายน้ําเข้าฝั่ง นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้า<ม>ในขณะที่ยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานยังไม่ได้ยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติพระองค์ก็จะใช้ภพนั้นๆั้นชาตินั้น น, นสร้างบารมีต่างๆขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชาตินั้นๆด้วย<ม>เป็นตัวที่จะเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัว ตัวที่กระตุ้นให้สร้างบา ร, รมีต่างๆขึ้นมาจนในที่สุดเมื่อมาถึงชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอันได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็จะมาสร้างบา ร, รมีต่อ<ม>ด้วยการออกบวชสละราะสมบัติทำบุญทำทานหลังจากที่ ออกไปนอกวังไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชก็ทําให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและการที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปบวชเป็นนักบวชพระองค์ก็เมื่อได้เห็นเทวทูตทั้งสี่ก็รู้ว่า การมาเกิดครั้งนี้เป็นการมาเกิดเพื่อไปดำเนินสร้างบุญบา ร, รมีต่อไปถ้าจะอยู่ในอยู่ในวังก็จะอยู่ด้วยการกินกินบุญเก่าแต่จะไม่ได้สร้างบุญใหม่ถ้าอยากจะให้ไปถึงพระนิพพานให้หยุดติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จาเป็นที่จะต้องสร้างบุญบา ร, รมีต่อไปที่ยังไม่ครบที่ยังไม่พอ ก็เลยต้องสละราชสมบัติการสรละราชสมบัตินี่ก็เป็นการเติมทานบารมีเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดสละราชสมบัติก็มีประสาทสามฤดูดก็สละไปให้คนอื่นอยู่ไปก็มีทรัพย์สินสมบัติเงินทองมากน้อยเางไรก็สละไปหมด เวลาออกบวชนี้ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปเท่านั้นเองแม้แต่พาหนะคือม้าที่ใช้ส่งพระ อ, องค์ให้ไปสู่ชายแดนก็ไม่เอาติดตัวไปได้พอถึงชายแดนก็ให้มหาเล็กเอาม้ากลับปคืนไปตัวพระ อ, องค์เองก็ส่งเดินทางเท้าไปไปบวชแล้วก็ไปเติมบา ร, รมีที่ยังไม่พอ คือศีลบารมีไปรักษาศีลต่อไปเจริญในขัมมะบารมียุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเปิดสะพาชนิดต่างๆ mm hmm. แล้วก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิก็เจริญอุเบกขาบารมีเวลาจิตสงบจิตก็จะมีอุเบกขา วางเฉยไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งต่างๆได้แต่เป็นอุเบกขาแบบชั่วคราวแบบที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขานั้นก็จะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหาวิชาเข้ามาทำลายให้จางหายไปได้ถ้าอยากจะให้ใจคงอยู่กับอุเบกขาก็ต้องเจริญปัญญาบารมี ปัญญาบารมีนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรอะไรที่จะทำให้ใจนี้มีความสงบมีความสุขมีอยูเบิกขาอยู่ตลอดเวลาไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปใดก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิรู้จักวิธีเข้าฌานต่าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจแต่เวลาออกจากฌานออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มเห็นเรื่องราวของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรือการพัดพาคจากบุคคลที่รัก<ม>ใจก็ยังเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่มไม่มีใครสามารถดับความทุกข์เหล่านี้ได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ถ้าสมัยนี้ก่อนนั้นก่อนที่ผู้เจ้าจะรัดสรู้เวลามีความทุกข์ใจก็เข้าหลบเข้าไปในสมาธินั่งนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งพอจิตหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจทุกข์ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวแต่พออจากสมาธิมาพอเริ่มเห็นเริ่มคิดความทุกข์ก็กลับคืนมาอีก ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเองลองผิดลองถูกตอนต้นก็คิดว่าความทุกข์อยู่ในกายถ้าถ้าหยุดความอยากกินอาหารได้แล้วจะทำให้ความทุกข์หายไปอดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันความอยากก็ยังไม่หายไปจากใจอยาก จากใจเพราะความอยากมันอยู่ในร่างกะอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ได้กินข้ามสี่สิบเก้าวันอ่อคิดว่าจะหยุดความอยากได้แต่ก็หยุดไม่ได้เลยต้องย้อนมาพิจารณาด้วยการปฏิบัติจิตตะภาวนาเจริญสมถภาวนาคือสมาธิทำใจให้สงบก่อนหลังจากใจสงบแล้วพอออกจากสมาธิมา มีอุเบกขาก็พิจารณาดูว่าอะไรเป็นตัวที่มาทำลายอุเบกขาก็ปรากฏว่าเป็นความอยากต่างๆนั่นเองอความอยากที่จะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากเพขอะยัางอยากมีความอยากที่จะเสบรูปสิ้กลิ่นลดโผล่สภาพาชนิดต่างๆอยู่ความอยากมีอยากเป็น อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาใจก็จะเกิดความทุกขึ้นมา ท, าทันทีพอหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการพิจารณาว่าสิ่งที่อยากที่ต้องการนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้มันเป็นการฝืนธรรมชาติของร่างกาย เพราะธรรมชาติของร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยมเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ไม่มีใครสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของกครก็ตามร่างกายของคนจนขอทานข้างถนนหรือร่างกายของปตนาทิปดีกราชามากษัตร์ก็ ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันไม่มีใครห้ามมันได้สั่งมันได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีเพราะนี่คือความทุกข์ในอริยสัจเนความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากหรือไม่อยากอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆนี<ม>้ก็จะทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่พอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปในวันใดวันหนึ่งเป็นธรรมดาเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฝ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็เลยหยุดความอยาก หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดภาคจากกันพอหยุดได้ใจที่เคยทุกข์ก็หายทุกข์กทันที mm hmm. นี่คือการตัดสลล mm hmm. การเติมบา ร, รมีครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือเติมตั้งแต่ทานบา ร, รมีมาสละราชสมบัติแล้วก็เจริญศีลบา ร, รมี mm hmm. แล้วก็มาเจริญนิคัมมาบา ร, รมี ไม่เสพบหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มันเจริญอุเบกขาบารมีด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานแล้วหลังจากนั้นก็มาเจริญปัญญาบารมีให้เห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาความอยากและอะไรที่จะทำให้ละความอยากหยู่ความอยากได้ก็คือความจริงของสภาวธรรมทั้งปวง ของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้ที้ใจไปยุทธ์ไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ไปอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะต้องเจอกับความทุกข์ใจนั่นเองก็เลยหยุดความอยากทั้งหลายที่มีในใจพอความอยากที่เคยมีในใจหายไปหมดความทุกข์ก็หายไปตามทันที เวลาหลังจากนั้นแล้วเวลาเห็นความแก่ก็เฉยไ ม, ไม่เดือดร้อนเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยเห็นความตายก็เฉยเห็นการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบไปก็เฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าห้ามมันไม่ได้แลก็เลยไม่มีความอยากให้มันไม่จากไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปเท่า น, นี้เองใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เป็นนิพพานขึ้นมาได้ที่ว่าศูญนั่นก็คือศูนย์จากความทุกข์ต่างๆนั่นเองไม่ได้ศูญจากอะไรความทุกข์ต่างๆที่มีเคยที่เคยมีในใจของของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะของสมณะโคดมหลังจากที่เจริญปัญญาบรารมีจนเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเวทนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตก็ดีของเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทั้งนั้ น, าา น, นถ้าไปอยากไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการแล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทันที ถ้าไม่อยากจะเจ อ, อความทุกข์ก็ปล่อยทันทีเห <c oughs> มือนไปจับของร้อนเช่นไปจับก้อนไฟทำไมก่อนเขาหุงข้าวมีใช้ถ่านหุงข้าวถ้าเอามือไปจับถ่านที่ที่ร้อนอยู่นี่จับแล้วมันก็จะทำให้มือไหม้ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหมือนถ่านร้อ น, อนๆนี่เอง แต่เนื่องจากใจมีโมหะอาวิชาไม่ฉลาดไม่รู้ว่าเป็นของร้อนเป็นของที่จะทำให้ใจเจ็บใจทรมานก็ไปจับมันด้วยการไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไปอยากให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อ ย, อยออพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บใจก็เริ่มกังวลกระวาย ว่าจะอยู่ดังที่เราอยากหรือเปล่าสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้จะอยู่กับเราพรุ่งนี้ต่อไปหรือเปล่าเราก็ไม่มีใครรู้<ม>ก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจวิตกกังวลหวาดกลัวแล้วเวลาที่เกิดผลตามมาเวลาเกิดการพัดพากจากกันตามมาก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ<ม>นี่คือเรื่องของการตัดสิุของพระพุทธเจ้า หลังจากตัดสั้แล้วพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนตอนที่มีร่างกายตอนนั้นก็ยังร่างกายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมในการตัดสั้นี้ไม่ได้ทำให้ร่างกายตายไปไม่ได้ทำให้จิตใจสูญหายไปเป็นศูนย์นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะเข้าใจเพราะบางคนกลัวมากกลัวว่าปฏิบัติไปถึงนิพพานแล้วจะหายไปหมดตัวจะหายไป ไม่ไม่หายสิ่งที่หายคือกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจทง้งฮะเป็นตัวที่จะหายไปและผลของกิเลสตัณหาก็คือความทุกข์ใจอย่างตาก็จะหายไปหมดจิตใจก็จะเป็นบริจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่ดองตอนที่ยังมีร่างกายอยู่ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือติดต่อกับพวกเราได้แสดงธรรมโปรดสัต ทุกวันวันละสี่ห้ารอบวันละสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายก็แสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมตอนค่ำก็แสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีตอนดึกก็แสดงธรรมโปรดเทวดาและยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบินธบาทก็ท่งหนึ่งยานดูว่าจะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษเพราะว่า บุคคล น, นั้นอาจจะมีพร้อมมีพร้อมที่จะมีดวงตาเห็นธรรมแต่อาจจะมีภัยที่อาจจะทําให้ต้องเสียชีวิตไปในระยะเวลาอันเร็วก็วมุ่งจะไปปวดไปปวดบุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษไปเพื่อให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ก่อนที่เขาจะตายไปเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อ น, นี้คือหน้าที่ที่ผู้เจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวัน<ม>พุทธกิจห้า<ม>กิจข้อที่ห้าก็คือเสด็จออกเสด็จออกโปรดสัตว์บินทบัดโปรดสัตว์เลี้ยงดูร่างกายของพระองค์เองไม่ไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นที่ต้องมาคอยมาเลี้ยงดู<ม>ร่างกายยังมีกําลังวังชาที่สามารถเสด็จออกบินธบัดได้ ก็จะบินธบาต ท, ทุกวันเลี้ยงชีพของพระ อ, องค์ไปในขณะที่มีร่างกายก็สามารถทากิจเหล่านี้ได้เวลาใครมีความสงสัยอยากจะรู้เรื่องธรรมะข้อใดก็ไปเฝ้าไปกราบทูลถามได้ในขณะที่มีร่างกาย<ม>แต่พอหลังจากที่พระ อ, องค์เสด็จดับขันคือร่างกายถึงแก่ความตายแล้ว ทีนี้ก็ไม่ใครไม่มีใครสามารถที่จะไปติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้อีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าหายไปไหนก็เหมือนกับเราที่เราไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่เรารู้จักที่ตายไปแล้วได้เช่นปู่ย่าตายายที่ตายไปเราอยากจะติดต่อกับปู่ย่าตายายเราก็ติดต่อไม่ได้ยกเว้นในกรณีพิเศษสำหรับคนที่มีอภิน ญ, ญามีจิตที่สามารถ ติดต่อกับกายทิพย์ได้เท่านั้นก็ยังอาจจะสามารถติดต่อกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้แต่ต้องเป็นคนที่มีอุปจารสมาธิมีอภิญญาซึ่งสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีกันมีคนไม่ไม่มากที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้เช่นพระพุทธเจ้าก็มีความสามารถพิเศษมีอภิญญาจึงสามารถแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาได้พวกกายทิพย์ได้ โปรดพุทธมารดาที่ตายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ทรงที่ที่ทรงตัดตอนตอนที่ประสูตรมาเจ็ดวันตอนที่เกิดมาได้เจ็ดวันพุทธมารดาก็เสียชีวิตไปแต่สาสิบห้าปีต่อมาหลังจากที่ได้ตัดสุลุบเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้อภิญยาสามารถติดต่อกับพวกเทวดาพวกกายทิพย์ทั้งหลายได้ก็ทรงใช้อภิญญานี้ ติดต่อกับพุทธมารดาได้สแสดงทำโปรดชุมมานดาอยู่หนึ่งหนึ่งพันษาคือสามเดือนด้วยกันจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งที่จะสามารถทำให้ปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองไปถึงขั้นที่สี่ไปถึงขั้นที่ผ่านได้โดยไม่ต้องมีใครมาสอนต่อเหมือนับ มือนกับติดไฟจุดไฟแล้วพอจุดไฟไฟมันก็เริ่มไหมแล้วมันก็จะเริ่มลามไปเรื่อยๆไฟนี้ก็คือไฟปัญญาพอมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็แสดงว่ามีแสงสว่างแห่งธรรมมีปัญญาที่จะสามารถใช้ปัญญาที่มีอยู่นี้เผาผลาญกิเลสตัณหาที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของใจของพระพุทธเจ้า เรื่อใจของพวกเราทุกคนนี้ธรรมชาติของใจนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายมันเป็นหนึ่งในธาตุทั้งหกที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสลายธาตุทั้งหกคืออะไรเนะี่ยใจนี้เราเรียกว่าธาตุรู้เป็นเป็นธาตุที่สามารถรู้สึกนึกคิดได้มีใจเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้แต่ธาตุอีกห้าธาตุนี้ไม่มีความสามารถ ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อวากาศสธาตคือความว่างนี่คือหกธาตุด้วยกันที่เวลามารวมตัวกันมาผสมปรุงแต่งกันก็ทำให้เกิดมีสัตว์มีมนุษย์มีโลกต่างๆมีดวงดาวชนิดต่างๆปรากฏขึ้นมาในจักรวาลนี้ล้วนทำมาจากธาตุทั้ง6นี้นั้น บางทีก็รวมกันบางส่วนบางทีก็ไม่รวมกันแยกกันเป็นของมันไปเช่นน้ําในทะเลในมหาสมุทรนี้ก็เป็นธาตุน้ำวนๆเช่นดินบนบนบกนี้ก็เป็นธาตุดินแต่บางทีดินกับน้ํามาผสมกับลมกับไฟก็ทําให้เกิดต้นงงต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เกิดร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาพอมีธาตุรู้มารวมมาร่วมด้วยก็เลยทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นมา การรวมตัวของธาตุทั้งสี่ทั้งหนี้มันก็เป็นการรวมตัวแบบชั่วคราวเดี๋ยวว่าหนึ่งมันก็ต้องแยกแยกออกจากกันไปเพราะว่ามันจะต้องกลับคืนสู่ธาตุดึงธาตุน้ําที่มารวมกับธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุรูก็จะแยกออกจากกันเช่นพอร่างกายนี้อยู่ท้ายใจปับ๊บธาตุลมก็ไปก่อนเลยไม่เข้าแล้วมีแต่ออกตามมาด้วยธาตุไฟ ร่างกายของคนตายก็เย็นไม่ไม่เหมือนกับร่างกายของคนเป็นช่วงนั้นทาารู้ก็ไปแล้วถ้ารู้คือดวงวิญญาณก็ไม่อยู่ที่ร่างกายแล้วพอหมดลมเมื่อไหร่พอสิ้นลมพัดไปพร้อมๆกับลมเลยพอลมหายใจหมดทาารู้ก็ไปกับลมทา้ทาถ้าลมก็ไปอยู่กลับไปหาท้าลมถ้ารู้ก็ไปอยู่ในโลกทิพย์กลับไปอยู่ในโลกทิพย์ธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟ่าน น้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุดินก็กลับขึ้นสู่ธาตุดินอยู่ในอวากาศธาตุก็มีธาตุนี้แล้วเดี๋ยวก็กลับมารวมตัวกันใหม่อกพอมีพ่อแม่มาผสมพันกั น, <ม>นก็มีธาตุสี่ของพ่อธาตสี่ของแม่มามาจับคู่กัน<ม>แล้วพอจับคู่กันปั๊บก็มีธาตุรู้มามาควบมามายึดคองอ<ม> มีการปฏิสนธิมีการเกิดของร่างกายอันใหม่นี่แหละคือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากการมีธาตุทั้งหกนี้อยู่ในจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งเองแล้วธาตุทั้งหกนี้ก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนเมฆหมอกเมฆมันก็ไม่มีตัวตนแต่มันมีรูปร่างมีก้อนเมฆมีรูปร่างขนาเมฆชนิดต่างๆกันแต่เมฆเราก็รู้ว่ามันทามาจากธาตุน้า ถ้าน้ำที่ผสมกับธาตุไฟพอธาตุน้ําเจอธาตุไฟน้ําก็ระเหยขึ้นมาในอวกาศในอากาศในอวกาศธาตุแล้วก็ไปรวมตัวเป็นก้อนเมฆแล้วเดี๋ยวพออุณหภูมิธาตุไฟที่อยู่ในก้อนเมฆมันหายไปมันหมดไปมันก็ธาตุก้อนเมฆนั้นก็รวมตัวกันเป็นน้ํากลับลงตกลงมาเป็นน้ําใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการ ผสมปรุงแต่งมีการเปลี่ยนแปลงของธาตุทั้งหกนี้เท่านั้นเองไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายเราก็ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ได้เป็นของของใครเป็นของการรวมตัวของธาตุสี่ส่วนใจเราก็เป็นผู้ที่มามาครอบครองมายึดร่างกายเหมือนกับเป็นรถยนต์คันหนึ่ง mm hmm. เวลาเราไปซื้อรถยนต์เราก็ไปครอบครองลถรถยนต์คันนั้น แล้วเราก็สั่งให้รถยนต์พาเราไปไหนมาไหนล้วก็เป็นคนขับไปแต่พอรถเสียรถพังคนขับก็ไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถรถพังก็ทิ้งรถไปคนขับรถถ้ายังต้องการที่จะมีรถใหม่ก็ไปซื้อรถใหม่มาขับใหม่แต่ก็ต้องคอยเปลี่ยนรถไปอยู่เรื่อยๆเพราะรถมันก็เป็นของที่ใช้ได้ชั่วคราวพอรถคันเก่าพังก็ต้องไปซื้อรถคันใหม่ ถ้าเบื่อกับการที่ต้องมาคอยซื้อรถรักษารถซ่อมรถอยู่เรื่อยๆก็เลิกใช้รถมันเสียก็หมดเรื่องถ้าเลิกใช้รถได้ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของรถอีกต่อไปร่างกายก็เหมือนรถยนต์ที่ใจเอามาครอบครองเพราะใจมีตัณหาความอยากอยากจะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทางคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆการที่จะ เสบรูปเสียงกลิ่นรสผพัทธ์ได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและผู้ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี่<ม>คนที่ไม่มีกรรมไม่มีบาปก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยได้ร่างกายของมนุษย์ส่วนคนที่ยังมีบาปติดค้างอยู่ในใจบาปที่เกิดจากการการทำบาปด้วยความหลงนี่มันก็ยังจะทาให้มาได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทน แต่ก็ใช้ใช้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานของมนุษย์เหมือนกันคือใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกเอ็นกายถ้าไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตาไม่กลับมาเกิดมีมันร่างกายอยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนั่นเองการจะหยุดได้ก็ต้องไปบวชอย่างนการเป็นนักบวชนี้ก็เพื่อมาหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะ ด้วยการรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือนรักษาศีลสองร้อยิบเจ็ดข้อซึ่งจะเป็นการห้ามใจไว้ในเบื้องต้นก่อนว่าไม่ให้ไปเสพแต่ความอยากเสพมันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ต้องมากําจัดมันขั้นต่อไปด้วยการมาฝึกสตินั่งสมาธิตอนที่พระเจ้าบวชพระเจ้าก็ถือศีลเนคขมมะถือศีลของนักบวชคอยเสพสุขในพระราชวังเคยมี มีมหสศบันเทวอะไรต่างๆมาคอยตอบสนองตันหาความอยากพอละพอสะละราชสมบัติไปบวชเป็นนักบวชก็ยุดห ย, ยุดการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดูไม่ฟังไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสตามความอยากต่างๆด้วยการมนถือศีล อย่างนาอก็ต้องถือศีลแปดเป็นจุดเริ่มต้นไปก่อนถ้ายัางเป็นคารวะเป็นผู้ครองเนิอนอยู่ยังไม่ได้ไปบวชเต็มที่ก็ให้ถือศีลแปดไปพังๆก่อนเพราะศีลแปดก็เป็นศีลในระดับของนักบวชนั่นเองถือว่าได้บวชแต่ยังแต่ยังไม่ได้บวชแบบสมบูรณ์บวชแบบชั่วครั้งชั่วคราวเช่นในวันพระศัทธายาโยมผู้ฝ่าธรรมบางท่านก็อาจจะ มาวัดมาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวเพื่อระงับการการใช้ความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายระงับการมาตัญหาเพราะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นโทษของการมีการมาตัญหาว่ามันเป็นตัวที่พาให้เราจะต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังมีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ เราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเองไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสร้างตาหูจมูกลิ้นกายให้กับตัวเองได้ก็เลยต้องไปอาศัยร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของมนุษย์นี่จึงมีการกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าร่างกายของมนุษย์นี้มันก็เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีมันก็ตายไปพอตายไปใจที่ยังมีความอยากเสรี รูปเสียงกิ่นรถผลตภัชนิดต่างๆอยู่ก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วเวททุกครั้งที่มีร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายทุกจากภัยต่างๆทุกจากความแก่ความเจ็บความตายทุกจากความอวดอยากขาดแคลนทุกจากอะไรต่างๆที่ต้องสัมผัสทุกจากการที่ต้องสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักไป มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกาจะหยุดความอยากมาเกิดหยุดความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้ผู้ที่ต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยต้องถือศีลของนักบวชกันอย่างสัทธายาโยงที่มานุ่งขาวห่มขาวในวัด น, นี้ก็เรียกว่าเป็นการมาถือศีลแปดมาปฏิบัติเนคขมะเนคขมะแปลว่าการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเปลยนวิธีหาความสุขจากการหา ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพราะการทําใจให้สงบนี้ได้ประโยชน์อย่างน้อยสองประโยชน์ด้วยกันก็จะได้ระ ง, งับความความอยากรูปเสียงกลิ่นลดได้เวลาเข้าสมาธิความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสลมกลิ่นอะไรก็จะหายไปและประโยชน์ที่สองก็เกิดจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเป็นความสุขที่ เป็นความสุขทดแทนความสุขที่เราจะได้ที่เคยได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดท่ามันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกทุกข์รู้สึกเศร้าส้อยเหงยเหงาถ้าเราสามารถเข้าสมาธิทําใจให้สงบได้แต่ถ้าเราเพียงแต่ถือศีลอย่างเดียวแล้วยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้นี้ความอยากมันยังดิ้นอยู่ในใจอยู่แล้วความดินของความอยากนี้มันจะทําให้ใจเรารู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าวเว คนที่มาอยู่วัดใหม่ๆมาถือศีลแปดใหม่ๆนี้จะรู้สึกสสเศร้าซ้อยหงอยเงารู้สึกไม่มีความสุขเพราะอยู่ห่างจากสิ่งที่เคยให้ความสุขกับตนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆพอไม่ได้เสพปั๊บใจ ก, ร ก, กจ็รู้สึกส ห, หงวดหงิดขึ้นมารู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเงาว้าเหวขึ้นมาทันทีดังนั้นคนที่มาถือศีลแปดต้องรู้ว่าหน้าต้องรู้หน้าที่ของตวนว่านอกจากการถือศีลแปดแล้วนี้ ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่สามารถทําใจให้สงบได้การจะถือศีลไปนี่ก็จะถือศีลไปได้ไม่นานเพราะกําลังอดกั้นมันหมดเมื่อไหร่ก็ทนไม่ไหวก็ต้องลากลับบ้านไปแม้แต่นักบวชที่มาบวชเป็นพระภิกษุก็เหมือนกันบางคนก็บวชได้สักระยะหนึ่งพอกําลังที่จะมาอดกั้นความอยากนี้หมดกําลังลง ความอยากก็จะดันให้ลาสิกขาไปเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกใหม่นันี้คือคือเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อที่จะทําให้ใจนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆต้องละตัณหาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้เบื้องต้นก็ละการละตัณหาก่อนความอยากที่ยัง มีรูปเสียงกขีดลดเจ็บรูปเสียงขีดลดผลสภาด้วยการถือศีลของนักบวชถือศีลแปดศีลสิบหรือถ้าบวชได้ก็บวชเป็นพระภิกษุนี้พระภิกษุหรือบวชเป็นชีไปเพื่อที่เพื่อที่จะได้กำลาบคอยป้องกันตัดความอยากในการเสพรูปเสียงขีดรถให้น้อยลงไปแต่ความอยากมันยังไม่ได้ตายไปด้วยการถือศีลความอยากมันก็ มันไม่ออกมาทางกายทางวาจาคือทางกายทางวาจาเราก็ไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปฟ้อนลําไม่ไปไม่ไปเสริมสวยความงามทางร่างกายต่างๆแต่ความอยากมันก็ยังดิ้นอยู่ในใจแล้วมันจะมาสร้างความทุกข์สร้างารูง้สึกสร้างความรู้สึกเศร้าซร้อยง่อยเหงว้าเหวให้กับใจถ้าไม่สามารถกาจัดมันถ้าไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยกาลังของสติของสมาธิ จากนั้นผู้ที่มาถือศีลแปด น, นี้นอกจากถือศีลแปดแล้วยังต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิด้วยเพื่อหยุดความอยากให้มันจิตสงบเวลาจิตสงบแล้วความอยากก็จะทํางานไม่ได้ความอยากนี้อาศัยความคิดของจิตเป็นตัวนําไปจิตต้องคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก่อนตอนเริ่มคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วความอยากจะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็จะตามมาแต่ถ้าเราหยุดความคิดที่จะ เสพรูปเสียงกิจรถถอดถ้าได้ความอยากก็จะไม่เกิดความอยากไม่เกิดก็จะทำใจให้นิ่งให้เย็นให้สงบให้ใจสบายได้ชั่วคราวแต่กำลังที่จะหยุดความคิดนี้ก็เป็นของที่มีกำลังมีประมาณไม่สามารถหยุดความคิดได้อย่างถาวรสติเมื่อหยุดความคิดได้แลสักพักหนึ่งสติก็จะอ่อนกาลังลง พอสติอ่อนกำลังลงความคิดก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ความอยากก็จะตามมา ท, ทันทีเช่นเวลาออกจากสมาธินี้สแสดงว่าสติหมดกาลังที่จะบังคับให้ใจอยู่ในสมาธิให้ใจหยุดคิดพอพอใจออกจากสมาธิมาก็เริ่มคิดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอคิดแล้วก็เกิดความอยากอยากจะไปเสรรูปเสียงกลิ่นรส คิดถึงสถานที่ต่างๆก็อยากจะไปเที่ยวที่สถานที่นั้นคิดถึงบุคคลต่างๆก็อยากจะไปพบกับบุคคลนั้นบุคคลนี้คิดถึงภาพยนตร์คิดถึงละครคิดถึงอะไรก็อยากที่จะไปเสดทันทีถ้าอยากที่จะไม่ให้ใจไปคิดไปไ ป, ไปอยากต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญปัญญาใช้ปัญญาเป็นผู้ที่จะมาสกัดกั้นความอยาก เบื้องต้นเราใช้ศีลสกัดกัน้นไม่ให้มันออกมาทางกายทางมาจาแล้วก็ใช้สมาธิให้มันให้มันอยู่นิ่งสงบอยู่ในใจแต่การใช้สมาธิให้มันอยู่นิ่งภ า, า, ายในใจมันก็อยู่ได้ชั่วคราวพอกำลังของสมาธิอ่อนลงมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะมาสร้างความอยากใหม่แต่ยังอยู่เป็นความอยากที่อยู่ในใจยังมีศีลคอยกั้นอยู่ไม่ให้ออกมาทางกายทางวาจา อยากจะไปเที่ยวก็ยังไปไม่ได้เพราะยังมีศีลถือศีลแปดถือศีลสิบหรือศีลศีลสองอยิบเจ็ดอยู่นอกจากว่าถ้าทนไม่ไหวจริงๆรการไม่ไหวไม่จต่ก็ต้องปล่อยมันออกมาทางกายทางวาจาก็จะต้องลาศิษฐ์ขาไปเคยถือศีลแปดก็ขอเปลี่ยนมาเป็นถือศีลห้าบ้างเคยบวชเป็นพระก็ขอศึกมาเป็นอุบาสุกุบาสิกาบ้างมาเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ รักษาศีลของพระได้อคือศีลที่ห้ามไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่ถ้าไม่อยากที่จะถอยหลังอยากจะก้าวหน้าอยากจะได้ชายชนะสู้กิเลสให้มันหมดไปจากใจทั้นต่อไปก็คือเวลาได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นเองสอนใจให้เห็นว่าเนี้ย สาเหตุที่ใจไม่สงบใจวุ่นวายอยู่ขณะ น, นี้ก็เพราะกิเลสความอยากต่างๆนี่ความอยากเสพ ร, รูปเสียงขีดรถที่ตอนนี้สติเราหมดกําลังไม่สามารถคุมให้มันอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานได้เพอสติอ่อนกําลังออกมามันก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงรูปนั้นรูปนี้เสียงนั้นเสียงนี้ไปเพราะเกิดความคิดแล้วความอยากก็จะตามมา พอคิดถึงเครื่องเดื่มที่เราชอบก็อยากจะไปเดื่มคิดถึงอาหารที่เราชอบก็อยากจะไปหาอาหารที่เราชอบมากินทันทีเราต้องมามีสองวิธีด้วยกันในการจะสกัดความอยากเหล่านี้ถ้าเรายัางไปไม่ถึงขั้นปัญญายังไม่รู้จักใช้ปัญญาเราก็ใช้สติที่เราเคยใช้มาทําใจให้สงบก่อนก็ได้เช่นพอออกจากสมาธิมาก็คอยควบคุมความคิดต่อไปด้วยการจเจริญสติอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกินรสต่างๆให้คิดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือคิดอยู่กับคาบริกรรมอนิจจังทุกขงังอนัตตาหรือคิดถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่าดูน่ากินก็ได้ถ้าเป็นคนชอบกินอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ให้คิดถึงสภาพของอาหารเวลาที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องและเวลาที่มันขับถ่ายออกมาจากร่างกายว่ามันมีรูปร่างลักษณะอย่างไร พอเห็นรูปร่างลักษณะของอาหารที่เข้าไปในร่างกายแล้วอื mm hmm. ความอยากจะกินอาหารมันก็จะหายไปได้ mm hmm. อันนี้ก็ใช้สติใช้สติหรือใช้ปัญญาถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็ใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาไป mm hmm. แต่ถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้พุโทโธพุทโธไปบริกรรมไปอย่าปล่อยให้ใจคิด คอยควบคุมความคิดคอยอยุดความคิดพอความคิดไม่ไม่คิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสความอยากก็จะไม่เกิดตามมาแต่ก็ต้องคอยมีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาใดเผลอสติปับ๊บเวลาไม่ได้ควบคุมความคิดปับ๊บความคิดมันก็จะลอบลักลอไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสทันทีมันก็จะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ต้องยอมแพ้มันก็ต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้าอยากจะเอาชนะมันแบบที่ให้มันเป็น ม้นเดียวจบคือไม่ต้องให้มันกลับฟื้นขึ้นมาเลยก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะพิจารณาเห็นว่าใจวุ่นวายเพราะความทุกข์เพราะเพราะตัณหาความอยากความวุ่นวายของใจนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจไม่สบายใจนะเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจพระเจ้า ก, ก็บอกว่าเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนี่พออยากไปเที่ยวอยากไปกินไปดื่มพอต้องอยู่บ้านก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราจะจะไม่อยากไปเที่ยว จากจะอยู่บ้านต่อไปเราก็พิจารณาว่าที่สถานที่เราไปเที่ยวมันก็เป็นทุกข์นะเพราะความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเวลาที่เราได้ไปเที่ยวก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเรากลับมาอยู่บ้านความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปมองไม่เห็นว่าความสุขต่างๆทางกามัสุขทางรูปเสียงกลิ p p น่นรสโผฏฐัพพานี้เป็นความสุขที่เป็นอ น, นิจจ์เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงแท้แน่นอน บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่อยากจะเสพแต่ก็บางทีก็ไม่สามารถเสพได้พอไม่เสพได้ใจก็จะเกิดความผิดหวังเกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความเหงาเกิดความเศร้าส้อยว้าวขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรส ควบคุมสั่งมันไม่ได้ว่าให้มันมาตอบสนองความอยากของเราทุกครั้งที่เราต้องการและให้มันอยู่กับเราไปตลอดมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถึงแม้เราจะหามาได้ก็ตามแต่เดี๋ยวมันก็จะเสื่อมไปหมดไปเนื้อหายไปให้คิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของชั่วคราวและเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับรักษาให้มันอยู่กับเราให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดเวลาที่มันจางไป มันก็จะทําทให้เราใจเราทุกข์ขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ใจอยากอยากได้มาให้ความสุขนี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวล้วนเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีคิดว่าออกไปเที่ยวไปหาความสุขกลับไปเจอทุกข์ก็ได้อ่าจจะไปเจออุบัติเหตุรถชนกันหรือเจอภัยพิบัติต่ตางๆขึ้นมาก็ได้ถ้าคิดแบบนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากจะไปเสี่ยงตายไม่อยากจะไปหาความทุกข์กันสู่อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าใจอยู่เฉยๆหยุดความอยากได้แล้วใจจะไม่มีอะไรมารบกวนใจใจก็จะสงบเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิเลยอุบเบกขาที่ถูกความอยากทําลายไปก็จะกลับคืนมาพอเราเพอเราหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากดีกว่าพอหยุดความอยากได้ปั๊บเนี ความสงบก็กลับเกินมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเหมือนกับเป็นความเหมือนเหมือนกับเพิ่งออกมาจากสมาธิใหม่ๆความสงบที่ได้จากสมาธิก็ยังอยู่ต่อไปได้ด้วยปัญญาถ้าทำอย่างนี้กับความอยากทุกทุกทุกตัวทุกชนิดต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจเราก็จะหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีความอยากอะไรที่จะมารบกวนใจมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจไม่มีความอยากอะไรที่จะมาทำลายความสงบ ที่เราได้จากการทำทำใจให้นิ่งให้เข้าสมาธิได้ใจก็จะสงบไปตลอดใจก็จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วใจก็ไม่ต้องไปไปเกิดไม่ไปมีร่างกายต่อไปเพราะความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัชชนิดต่างๆคือการมาตัณหานี้ได้ถูกทาลายด้วยปัญญาแนละ้วเห็นโทษของเห็นโทษของความอยาก เห็นโทษของสิ่งที่อยาว่าเป็นทุกตัวความอยากเองก็สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจตัวที่สิ่งที่ความอยากต้องการก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์ขัง mm hmm. เห็นเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากได้อะไรไม่ยอมมีความอยากมีอะไรเพราะอยู่เฉยๆมันแสนจะสุขมันแสนจะสบายสุขสบายกว่าการมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป mm ็นร้อยล้านพันล้าน พรามีทรัพย์สมบัติก็ต้องมาทุกข์กับมันอีกไหนจะต้องทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วทุกข์กับความเสียอกเสียใจเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปเ mm hmm. พราะไม่มีอะไรแน่นอนไม่เสียตอนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องเสียตอนที่จากกันนั่นแหละมีเงินเป็นแสนล้านก็ตามเถิดเวลาตายไปนี่เงินแม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ mm hmm. เวลาต้องพัดภาคจากเงินแสนล้านนี่จะรู้สึกดีใจหรือเสียใจ mm hmm. ให้คิดอย่างนี้ แค่ิว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีการพัดภาคจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราไปหาสัยมันให้ความสุขเวลาที่มันไม่มีเวลาที่เราต้องจากมันไปมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์พอใจเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นของภายนอกร่างกายเช่นลาบยศสารเสริญสุข ไม่ว่าร่างกายเองก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถให้แต่มีแต่สุขเวทนามีแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างเดียวมันสลับไปเดี๋ยวจากสุขก็กลายเป็นความทุกข์ไปจากความทุกข์ก็กลับไปเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไปมันเปลี่ยนไปไปยึดไปติดกับเวทนาให้ความสุขก็ไม่ได้ไปยึดกับอารมณ์ที่มีในใจให้ความสุขก็ไม่ได้เพราะใจอารมณ์ในใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์เสีย<ม>บางวันอารมณ์ฟุ้งคล้านบางวันอารมณ์สงบ ม, มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสมาเกี่ยวข้องด้วยนี่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น<ม>ให้เห็นด้วยปัญญาแล้วใจก็จะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปอยา ก, กับสิ่งกลางๆเหล่านี้<ม>พอไม่มีไปยึดไปอยากปับ๊บ<ม>ใจก็นิ่งสงบ<ม><ม>ทันทีเพราะตัวที่มาสร้างคขัง ความไม่สงบสร้างความวุ่นวายให้กับใจก็คือความยึดความอยากนี่พอไม่ยึดไม่อยากแล้วใจก็จะสงบจะจะสบายก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเมื่อไม่มีความทุกข์สิ่งที่เหลืออยู่ในใจก็เป็นแต่ความสุขลน้นล้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือคุณค่าของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลย เราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราหามาได้เพราะสิ่งที่เราหาไม่ได้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่มันเปลี่ยนไปแะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีร่างกายของคนที่เรารักเราชอบอยู่กันไปเรื่อยๆต่อไปเขาก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยความงามความหล่อเหลาของร่างกายก็จะค่อยหายไปหายไปต่อไปก็กลายเป็นคนแก่ไปะไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงมีแต่จะคอยให้ความทุกข์เราในตอนที่มันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไป น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเราไปเรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้จะไม่มีใครสอนเรื่องราวเหล่านี้จะสอนให้เรา โลกมากขึ้นอยากได้มากขึ้นสอนวิธีหาเงินให้ได้มากขึ้นสอนวิธีให้เราได้ยศได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปแต่ไม่ได้สอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่ได้สามารถสิ่งเหล่านี้จะให้ความทุกข์ต่อเราต่อไปแต่มาถ้าเรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนเรื่องราวเหล่านี้สอนวิธีการกําจัดความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปพอความอยากหมดสิ้นไปความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไป แล้วความทุกข์ใหม่ก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่เราไม่ได้สูญหายไปไหนเราก็ยังอยู่เหมือนตอนที่เรามีร่างกายแต่ดีกว่าตอนที่มีร่างกายมีร่างกายแล้วมันทุกข์ตอนที่ไม่มีร่างกายแล้วมันสบายมันสุขนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและพระหลันตัสสาวงทั้งหลายไม่ได้สูญหายไปไหนนิพพานไม่ได้สูญจิตไม่ได้สูญไปกับนิพพานนิพพานเป็นสภาพของจิตที่สงบที่ที่สะอาดบริสุทธ สูญจากกิเลสตัณหาสูญจากความทุกข์ต่างๆเท่านั้นเองนี่แหละคือคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่พวกเราควรที่จะพิจารณาให้ดีและเข้าหาให้ได้เพราะเมื่อเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปะกะปติอิจิตังระทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเทปุเรนตุสังขปา จันโทกันนาละโยธามณิโชติละโสยธัสภิติโยวิวาจันโตสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีตีพายุโกภวะอภิวาตนาสีลิธะนิจจังวุฒาปัจจายนุ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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุตจากทางเฟซบุ๊กสามรอยเก้าท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์3ามร้อยยี่สิบเก้าดรวสี่ิเกวิทยุออนไลน์สิบสองคลับเาสสามนาคุหนึ่งร้อยหกสิบเก้ารวมทั้งหมด8 7ด้อยเจ็สิบหนึ่งท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนาคุตค่ะ หนูเป็นโรคซึมเศร้ามักคิดลบและอยากจะตายอยู่ทุกวันมีปัญหาให้เราเป็นทุกอยู่เสมอเลยเมื่อเวลาร่างกายเรากําลังจะดีขึ้นหนูควรปฏิบัติอย่างไรคะพยายามเจริญสติบ่อยๆคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางลบเช่นเบยกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ คำถามจะพู้รับฟังนะกุญค่ะ ค, คำถามแรกสัตว์ที่เวลาเราสวดกรวดน้ําว่าสัตว์ที่มีขันศีกคือสัตว์ประเภทไหนคะส่วนขันหนึ่งนั้นคือพรมลูกฟักใช่ไหมคะความจริงเราก็ไม่รู้นะให้เดาเอาก็ขันศีก็พวกกายทิพย์พวกที่ไม่มีร่างกายเช่นพวกเทวดาพวกอะไรที่ที่ตายไปแล้วนี่ก็ยังยังมีขันศีอยู่ แต่ขันหนึ่งนี่ไม่ทราบว่าหมายถึงพรมหรืออะไรครับข้อที่สองค่ะ การที่เคยได้ยินว่าการได้ไปกราบสักการะสี่สังเวชนียสถานที่อินเดียนั้นจะได้อา น, นิสงส์อย่างไรและเป็นคำกล่าวที่พิพุทธเจ้าตรัส <c oughs> จริงไหมคะส่วนโยมได้ไปกราบมาความรู้สึกความเข้าใจใดๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากจริงๆได้ไปกราบไหว้ปฏิบัติที่ต้นโพอยู่เจ็ดวันยืนเดินนั่งทุกวันกลับมาจิตมีความหนักแน่นมากขึ้นกราบขอบพระคุณค่ะ่อเป็นการเสริมศรทัทธา คนที่ไม่มีศรัท ธ, ธาไปแล้วอาจจะมีศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นก็ได้คนที่มีศรัท ธ, ธาแล้วพอได้ไปก็จะทำให้ศรัท ธ, ธามีความเข้มข้นมากขึ้นนะั้นมากขึ้นคำถามฝากถามจากทางแคลิฟอร์เนียค่ะมีคนไทยที่พักอยู่ที่แคลิฟอร์เนียฝากถามว่าขอวิธีทำใจขณะที่ประสบเหตุกับเหตุเพลงไหมในขณะนี้ด้วยค่ะทำใจเฉยๆเพราะเราทำอะไรไม่ได้ ก็บ่ายมันเกิดไปทำอะไรได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ทำใจให้เฉยๆอย่าไปยึดอย่าไปติดของที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดของมันที่เสียไปแล้วก็ต้องเสียไปอย่าไปเสียได้ยปนของชั่วคราวทุกอย่างในโลกนี้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในโลกนี้ไปคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ผมไม่คิดไม่สนใจเรื่องราวของคนอื่นหรือข่าวสารต่างๆแต่คนรอบตัวชอบเอามาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆผมก็บอกว่าเรื่องของเขาอย่าเอาใจไปคิดตามอย่าไปตื่นเต้นหรือตกใจเรื่องของคนอื่นแต่เขาไม่พอใจบอกว่าผมพร่ำเพรือ่อผมควรแก้ไขอย่างไรดีขอพระอาจารย์โปรดชี้ทางให้ด้วยครับก็ไม่ต้องพูดก็แล้วกันถ้าเขาไม่พอใจก็อยู่พูดได้ คำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะกรณีของคารวะที่ต้องทำงานส่งลูกเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความสุขครับอ้าวก็ต้องยินดีที่จะต้องจ่า ย, ยสิ <laughs> <laughs> คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เมื่อภาวนาพุทโธนั่งสมาธิเมื่อถึงช่วงเวลาที่ใกล้ครบชั่วโมงขาจะชาแข็งจึงเร่งคาภาวนาแต่ยิ่งเร่งก็รู้สึกยิ่งหนักมากขึ้นจนต้องผ่อนแล้วออกจากสมาธิขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะคือเวลาเร่งภาวนาคือเริกกรรมให้จีตขึ้นให้มากขึ้นอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้ามีความอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วมันไม่หายมันจะทำให้ใจทุกข์มากขึ้นแล้เราอยู่กับความบริกรรมโดยที่ไม่หวังผลว่าจะความเจ็บจะหายไปหรือไม่เราอย่าไปสนใจเป้าหมายของเราคือให้ใจมีอะไรยึดติดไว้เพื่อชี้ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายแล้วเมื่อไม่คิดถึงความอยากที่อยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะนั่งต่อไปได้ คำถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะเวลานั่งสมาธิถ้าบริกรรมพุทโธบางครั้งผมรู้สึกปวดหัวครับพอดูลมก็แน่นหน้าอกหายใจลำบากคิดว่าอาจจะเพ่งมากไปพอลองคลายการเพ่งอาการก็ดีครับ แต่สติหลุดง่ายครับถ้าใช้คำบริกรรมแล้วเกิดอาการปวดหัวผมก็จะเปลี่ยนมาดูลมครับบางครั้งเกิดความสงบไม่มีความฟุ้งซ่านผมก็ดูลมเพียงอย่างเดียวครับแต่บางครั้งใช้บริกรรมใช้คำบริกรรมก็เกิดความรู้สึกเบาสบายไม่มีความคิดอย่างอื่นนอกจากพุทโธแต่เมื่อช่วงเวลาที่จิต สงบหมดลงพอนั่งต่อไปสักพักจะปวดหัวมากครับบางครั้งหลับตาไม่ได้เลยผมก็นั่งลืมตาบริกรรมพุทโธหรือดูลมไปก่อนครับบางทีเดินจงกรมแทนครับผมควรแก้ไขอย่างไรครับก็ทำแบบนี้ไปแหละเวลาท่านแบบไหนมันไม่มันไม่มันไม่ได้ผลก็เปลี่ยนได้คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ การเจริญปัญญาทำในขณะที่อยู่ในท่านั่งสมาธิหลังจากออกจากอปปนาสมาธิถือว่าเป็นอริยบทที่ดีที่สุดใช่ไหมครับก็แล้วแต่เพราะว่าท่านั่งนานๆมันก็จะเจ็บอาจจะไม่สามารถพิจารณาทำได้ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนแล้วใช้การเดินจงกรมเป็นการพิจารณาปัญญาคำถามจากท่านเดิมค่ะ ความสว่างจากจิตรวมถือว่าอยู่ในอัปปนาสมาธิใหม่ครับควรทําอย่างไรต่อไปครับก็ควรจะให้มันสงบไปนานๆจะสว่างหรือไม่สว่างนี่มันอาจจะไม่แน่นอนบางทีไม่สว่างก็ได้บางทีสว่างก็ได้แต่ผลที่เราต้องการก็คือใจที่สงบนิ่งไม่คิดตุงแต่งใช่ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมาฟังเทศแต่ไม่ได้ตั้งใจจะนั่งสมาธินะเจ้าค่ะแต่ ใจหูหนูตั้งใจฟังเสียงหลวงพ่อแต่ตัวหนูในขณะที่ฟังเสียงหลวงพ่อนั้นตัวหนูพองขึ้นพองขึ้นแต่หนูก็ไม่สนใจหนูก็ฟังหลวงพ่อไปจนจบชั่วโมงอจนกระทั่งหลวงพ่อให้พรมันก็ยังพองอยู่แล้วหนูก็ออกแต่หนูก็ไม่สนใจหนูทําถูกใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วมันพองจริงหรอล่าหนูไม่ได้หลับค่ะมันก็มันหนูหลักตามันเป็นความรู้สึกเป็นความปุงแต่งของจิตเท่านั้นเองไม่ต้ไปสนใจใช่ มีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจตัวพองตัวหดตัวสั้นตัวยาวไม่ต้องไปสนใจมันเป็นเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งหลอกเราให้เราไม่มีสมาธิงั้นถ้าเราอยู่กับการฟังไปเรื่อยๆไม่<ช>ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆที่เข้ามาแทรกเพราะหนูก็จําได้ว่าหนูพอ่อเคยสอนหนูทําถูกเจ้าค่ะอาจแล้วดีไหมล่ะดีเจ้าค่ะอ่างนี้นเเราต้องการความนิ่งความสงบใจเราต้องอยู่กับเรื่องเดียว แต่ทีนี้มีคำถามก็คือว่ามันแต่หนูก็เลยคิดตอนที่หลวงพ่อให้พรใช่ไหมคะตอนแรกหนูว่าจะนั่งให้สุดเออมันก็มันดูไม่ดีก็เลยออกหนูก็ไม่เป็นไรมันก็แค่นาทีสองนาทีเท่านั้นอันนก็เป็นการรักษามารยญาต<อ>เมื่อเขาทำอะไรเราก็ต้องทำตามเขาใชาค่ะหนูก็ทำตามเขาค่ะอขอบคุณค่ะ คำถามจากท่านเดิมจากยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะแสงสว่างจากปัญญาคืออะไรต่างจากแสงสว่างจากจิตรวมในสมาธิไหมครับคือแสงสว่างทางปัญญาก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีปัญญามันจะมองไม่เห็นมันจะไม่ไม่เห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราแต่ถ้าเรามีปัญญานี้พอเกิดความทุกข์ใจเราจะเห็นว่าอ๋อมันเกิดจากความอยากของเรา พอเราหยุดความอยากของเราได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่คือแสงสว่างทางปัญญาคเคืเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากพอเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็หยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปเราก็จะเห็นทุกเกิดเพราะความอยากทุกดับเพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา าการพิจารณาอสุภกรรมฐานยังไม่สามารถเอาชนะกรรมได้มีวิธีอื่นที่จะต่อสู้ไหมครับกรรมเหรอสู้ไม่ได้หรอกมีทางเดียวก็คืออย่าไปทํากรรมใหม่ก็แล้วกันส่วนกรรมเก่าเราก็ต้งองรอรับผลของมันไปเราจะทําให้กรรมทั้งหมดหมดไปไม่มาราวีเราเราก็ต้องอยากกลับมาเกิดเท่านั้นเองพอเราไม่เกิดแล้วมันก็จะกรรมก็ตามมาไม่ได้ขออนุญาตค่ะหนูอ่านไม่ชัดค่ะ การพิจารณาอสุภะกรรมาฐานถ้ายังไม่สามารถเอาชนะกรรมกรา ม, มาตัิหากราร ม, มาราคะประมาณเนี้ค่ะอาจารย์ครัอาจารย์เรต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆเหมือนเขากินยายายังไม่มีฤทธิ์พอที่จะหยุดไข้ได้ก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอยามีฤทธิ์เพิ่มขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวไข้มันก็จะหายไปพอปัญญาเรามีมากขึ้นเห็นกะเห็นอสุภะบ่อยขึ้นมากขึ้นถี่ขึ้นกามมราคะต่อไปก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตที่รวมในการภาวนามีสภาวะหรือความรู้สึกอย่างไรครับจิตที่มีการภาวนาจิตที่มีจิตที่รวมในการภาวน า, ามีสภาวะหรือความรู้สึกอย่างไรครับอ๋อมันนิ่งสงบมีความสุขมากเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนมีอยเบขาจิตวางเฉยสักตะวัรู ถ้าเกิดได้ยินเสียงก็ไม่ไ ม, ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเสียงที่ได้ยินคาถามจากทาง youtube ดกร v ค่ะการถือศีลกับการช่วยเป็นจิตอาสาให้กับผู้ที่ถือศีลได้บุญเหมือนกันไหมครับบุญคนละอย่างกันการถือศีลก็เป็นการหยุดการกระทาบาปส่วนบุญของจิตอาสาก็คือการช่วยเหลือผู้เป็นระดับทานกับระดับศีลต่างกัน ทานก็จะมีอ น, นิสงค์คือทำให้ผู้รักษาทำทานได้ไปสวรรค์ ส, ส่วนศีลก็มีถ้ารักษาศีลได้ก็จะปิดประตูาบายได้ไม่ต้องไปเกิดในาบายเ น, นี่ยมีอนิสงส์ต่างกันคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ แม่เราเห็นเราเป็นตู้เ t ทเอ็มพอเราไม่ให้ไม่ตามใจก็จะทะเลาะกันจนตอนนี้เราติดหนี้เกือบสองล้านจากที่คอยเอาให้แม่เรื่อยๆน้องๆทุกคนตัดขาดจากแม่แต่เราทำไม่ได้ผิดไหมที่เราจะคิดแม่ว่าแม่คือเจ้ากรรมในเวรของเราเราควรทำเช่นไรคะเมื่อเวลาที่แม่มาของเงินจากเราเพราะเราจะเพราะเราจะไม่ให้แล้วคะ่ะ ก็ไม่มีก็ไม่ต้องให้เขาบอกตรงๆไปว่าไม่มีแล้วต้องไปเป็นหนี้สินให้ถ้าถ้าช่วยได้ก็ช่วยเพราะาบุญคุณของพ่อของแม่นี่มันมากมายกว่าที่เราจะชดใช้ได้หมดเห็นถ้าเราสามารถชดใช้ส่วนไหนได้เราก็ทําไปแต่อย่าทำให้ตัวเราเดือดร้อนอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินเยบอกบอกตรงๆไปว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีเงินจะให้แล้วส่วนเขาจะโกรธเราหรือไม่โกรธเรานี่ก็ช่วยไม่ได้ะ คำถามจากทางเฟซบุกค่ะการทำบุญกับการทำทานอันไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับอันเดียวกันได้เหมือนกันเช่นซื้อของมาซื้อข้าวมาร้อยบาทเอาไปให้ศุลักกินหรือเอาไปใส่บาตรให้ก็ได้บุญเท่ากันได้อานิสงส์เท่ากันมีใครอยากจะถามก็ถามได้นะยกมือขึ้นมาแล้วเพืจะเดินเข้ามามาหยิบไม้แล้วก็พูดได้